بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عبوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على ا ش ر ف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى و د ي ن ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เราคงอยู่ในช่วง <c oughs> เรื่องราวของท่านนดวีอูซาระยะสิหถึง9ก้าสิมแล้วคะยะเกิานี่แหละที่ยังเหลืออยู่มันเป็นเรื่องราวของภายหลังท่านนบวีมูซาได้ออกจากอิปและหลังจาก93นี้9 4ถึงกจ็นีก็จะเป็นมวด การเตือนคือหลังจากที่ฟังเรื่องราวของท่านนบีุลมซ่านี่มันจะมีอะไรหลายอย่างสอดคล้องกับคัมภีก่อนๆจึงเป็นการเตือนผู้ที่ฟังเรื่องราวของท่านนบีุลมซ่าแล้วก็ยังสงสัยอยู่เตือนคนที่ไม่ยอมศรัทธาไม่ศรัทธาต่อคุราน หลังจากนั้นก็จะมีเพียงสามหมวดนะครับหมวดแรกนี่เป็นอายะแรกเป็นอายะเดียวของเรื่องท่านอวีนุสซึ่งเป็นพระเอกของสุรคาดว่าจะมารวบอยู่กับหมวดถัดไปนี่ก็คือเรื่องการบริหารจัดการของอัลลอฮ์ต่อสรรพสิ่งต่างๆเนี่ย รวมถึงการที่พระองค์ได้วางแผนไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการเทศนาของ บ, นนบรรดาหนมีเอระซุ่และมีใครจะศรัทธาใครจะปฏิเสธศรัทธาจึงพวกเราควร น, นํามาพิจารณาว่าเราจะเลือกอยู่ฝ่ายที่สนองคําเรียกร้องของพระเจ้าและศรัทธาต่อพระดํารัสของพระองค์หรือไม่ซึ่งสุรจุนสุสก็จะมีอุทาอรในเรื่องนี้ ถ้าได้รวบมาในหมวด99ถึงร0 3สเนี่ยก็จะเหลือหมวดสุดท้ายที่จะย้ำเรื่องการให้อกภาพเนี่ยล่าสุดพานะหัวตาหลาลยอาะหนึ่งร้อยสีถึงร้อกาก็จะเหลือสองครั้งที่เราจะเรียนรู้เตทธีแต่ถ้าไม่พอก็อาจจะเป็นสามครั้งซึ่งเดือนธันวานี้เหลืออีกสครั้ง เพราะมีอยู่หอังคารก็เหลือสครั้งนะครับอย่างมากนี้ก็จะใช้สามครั้งซึ่งอังคารสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนี้จะงดการเรียนทัศนศิลป์แล้วมาเริ่มใ ห, ใหม่มกราและก็ช่วงหนึ่งของกุมภาน่าจะ ทิดหนึ่งหรืออาจจะไม่ไม่ถึงกุมภานะมกราทั้งเดือนก็จะไม่เรียนตับซีนนะคาดว่าจะเรียนฮะดิษแต่เป็นฮะดีษในหมวดว่าด้วยการถือสินอดจากสายบุคหรีเพราะคิดถึงฮะดิษกี่ปีแล้วไม่ได้เรียนบุคหรีเป็นปีแล้วหลายปีแล้ว ก็มามามาฟื้นฟูหะดีสกันนิดหนึ่งและก็ต้อนรับดูรมบอดในในเนื้อหาเดียวกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถือสิ้งอดการเตรียมตัวก็จะคัดเลือกนะหะดีสี่มันควบคุมแล้วก็รอบครอบในเรื่องของดูรมบอดแต่สำหรับวันนี้ก็จะมีอายะ93้าสที่จะเล่าเรื่องของ บรรอิสราเอลหลังจากที่ท่านนบีมูซาได้พาเขาอพยพออกจากอียบไปดินแดนของกนาอันหรือสำเนียงอาหรับเขาเรียกกันกนาอันกนาอันก็เป็นเผ่าพันธุ์หรือเป็นเชื้อชาติที่อยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์มายาวนานก่อนที่บนุอิสราเอลจะอยู่ดนยสบาป เขาอยู่ในพื้นที่ของชามนั่นแหละบ น, กกนูกันอาซึ่งกันอาในศาสตร์ของคนที่เขาเขาศึกษาเรื่องเรื่องเชื้อชาติเนี่ยบนู ก, กันอานี่นะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกหลานของชาม สามก็คือลูกชายของท่านเบินุคนหนึ่งซึ่งจะมีจะมีเชื้อตระกูลต่างๆในตะวันออกกลางเนี่ยส่วนมากจากสามนะรวมถึงอรับและก็ยูนนี้แน่ น, นอนแต่กัณอาณ์นก็เช่นเดียวกันเขาก็สนิทฐานว่าบรรูกันอาณ์นี่ก็อาจจะมีเชื้อจากสามลูกชายของท่านเบินุ อีกทัศน์หนึ่งเขาก็บอกว่ามาจากยาฟิสซึ่งการที่บอกว่าโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยตระกูลโลกมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดนี้มาจากมาจากลูกชายท่านนบีน้ในสามคนเนี่ยนี่ในในทัศนะของคำปีเตอร์และทัศนะของอุลามาส่วนมากในประวัติศาสตร์อิสลามอับดุลมุสลิมเขาจะมองว่าโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็มาจาก ลูกชายท่านนาบีน้สามคนสำหรับประราชมุสลิมเนี่เขาก็อ้างอายะที่อัลลอได้บอกว่าว่าจะอัลลนซุริยตะฮููมุลบบกีและเราได้ให้ลูกหลานของนู ح, คือหมู่ชนที่ยังคงมีชีวิตต่อไปแต่หมายถึงว่าที่รอดกับ น, นบีนนวเนี่ยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รอดเหมือนกันคือหลังจากที่รอดจากน้ำท่วมนี่ก็เสียชีวิตกันหมดเหลือแต่ลูกหลานของท่านนาบี นห์ ح, สามค น, คนก็คือซ <ใน S 1> ามฮามและก็ยาฟิสซามนี่ก็คือบิดาของอารับยูและก็คนส่วนมากในตะวันออกกลางยาฟิสเนี่ยก็คือบิดาของโซนของยุโรปและก็เอเชียฮามนี่ก็คือแอฟริกา น, นี่ถ้านะของเขานะ ซึ่งมันไม่ใช่กุตอานนะคืออันนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหนึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในโตาะร้อซึ่งมันไม่ได้มีอะไรจากคุตอานมายืนยันชัดเจนแม้กระทั่งปราฏิมุสลิมนี่ก็ยังมีคนที่คนที่ตีความอายะที่บอกว่ายานนาซูริยตะหูฮุมูลบากีนให้ลูกหลานของท่านดาบีนัวเนี่ยคือคนที่ยังคงมีชีวิตต่อไปเนี่ยก็หมายถึงว่าส่วนมากนั่นไม่ได้หมายรวมว่า คนอื่นที่รอดกับท่านนาบีนว่นี่ก็จะไม่มีบุตรหลานเลยไม่ได้มารวม่าอย่างนั้นถ้าในทศนะนี้ซึ่งในทศนะนี้ก็มี ม, มีมีน้ำหนักเหมือนกันนะว่าคนในโลกนี้นี่ก็อาจจะมีคนที่ไม่ใช่ลูกหลานท่านนาบีนุ่ก็ได้และทศนสนี้เนี่เขาอ้างถึงตัวบทในกุรานและหะดีษลหลายบทเลยพออัลลอ์จะเรียก บรรดามนุษย์เนี่ยแต่เรียกบรดามนุษย์เนี่ยไม่ใช่โอ้ลูกหลานลูแต่เรียกว่า ย, งายังไงโอ้ลูกหลานอดัมมันก็ต้องมีเหตุผลดิอยาบปนีอาดมมยานีอาดมาอัก็แสงดงว่าอันนี้ในทศนะของอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าลูกหลานไม่ใช่ลูกหลานลูกอย่างเดียวนะ ก็มีโอกาสที่จะมีลูกหลานคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานเ น, นบีนุ่นซึ่งเขาต้องแน่นอเขาต้องเป็นลูกหลานอาดัมติออกมาอันแล้วต่าหากว่าที่เหลือนี่ทั้งหมดซึ่งเขาบอกว่าระหว่างระวังท่านนาบีอาดัมถึงท่านนาบีนุ่นเทียบแล้วเนี่ยระวังท่านเนบีอาดัมถึงนบีนุ่นกับนบีนุ่นถึงปัจจุบันนี่นะเออนาบนีถึงปัจจุบันนี้นคื อ, อคืออายุไขที่มากกว่าสแสดงว่าประชากร ประชากรระหว่างนบีนูถึงเรานี่มากกว่าถ้าเป็นลูกหลานนบีนูทั้งหมดเลยลูกหลานของนบีนูทั้งหมดเลยนะก็ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมาะกับการที่จะเรียกเขาว่ายาบันีอาดัมเพราะในข้อเอท็จจริงเนี่ยเขาไม่มีลูกหลานอาดัมทั้งหมดหรือทั้งหมดเเป็นลูกหลานดด น, ลลา น, นบีนูอย่างเดียวเลยแต่ถ้ามีคนอื่นที่รอดกับท่านนบีนู ح, แล้วเราบอกแล้วว่าที่เรกากับท่านนบีโน่ก็มีหลายทศนันะทัศนะนหนึ่งบอกว่าไม่เยอะหรอกหลักสิบอีกทศ น, นันหึงว่าหลักร้อยถึงจะสิบถึงถึงจะร้อยนะถ้าขนาดลูกน บ, บีโน่นี่เพียงสามคนนะนะ่ะในทัศ น, นันน้นน่ะนะทำให้มีลูกหลานเต็มโลกไปหมดเลยอะ แล้วถ้าหากว่ามีคนที่รอดกับท่านนาีนวเนี่ยหลักสิ์หรือหลักร้อยล่ะเขาจะไม่มีบุตรหลานเท่ากับนั่นด้วยตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการพิสูจน์ผ่าน d n เว่าโลกนี้มีบิดาเพียงสามคนยังไม่มีนะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ สามแต่ยังสามารถพิสูจน์าาดได้ผ่านการตรวจดีเอ็ว่ากลุ่มชนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะโดยเฉพาะกลุ่มชนที่อ้างว่าเป็นยิวและอ้างว่าเป็นอาหรับเขาสามารถพิสูจน์ได้ทางดีเออแล้วเนี่ยว่าเป็นกลุ่มเชื้อชาติเดียวกันที่มีตระกูล หมายถึงว่าบรรพบุรุษเดียวกันอันนี้เข้าพิสูจน์ได้แล้วซึ่งวิทยาารด้านด้านด NA นในตอนนี้เนี่ยก็เจริญพอสมควรและเรื่องนี้ที่ทำให้ยูเนี่ยพยายามที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยคนที่นับถือศาสนายิเนี่ยเขามีเชื้อตระกูลเดียวกันเขาก็เลยขยันไปตรวจดีเของพวกยวทั่วโลก แต่ทีหลังเขามาเสียใจยกันเพราะปรากฏว่ายิวเนี่ยอย่างที่เคยบอกกับพี่น้องว่ามีอยู่สองกลุ่มหลักๆที่นับถี่ศาสนายิวนะยูเ อ, อชกินาสและซาฟาร์ดิมเอชกินาสนี่ก็คือพวกยิวที่มาจากยุโรป ส, ส่วนมากซฟาร์ดีมเนี่ยที่มาจากตะวันออกกลางอิรักอิรนันอียิบ เอเมนยูที่อยู่ในนี่นแหละแวกละแวกประเทศอาหรับนี่แหละซึ่งดั้งเดิมเขาก็เขาก็เพ้นพ่านกันอยู่แถวนี้แหละไอ้ที่ยุโรปนี่เขาบอกว่ามาจากยูสองกลุ่ม <c oughs> ก็คื อ, อยูที่เคยอพยพจากประเทศอาหรับไปอยู่อันดาลุสแล้วตอนอันดาลุสล่มสลายเนี่ยเขาก็อพยพไปอยู่ที่ยุโรปซึ่งเป็นจํานวนน้อย แล้วก็มียวอีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากยุโรปตะวันตะวันออกโดยเฉพาะโซนของรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยเคยมีอาณาจากักรยวอาณาจากักรยวนี้ทันยุคของราชาอาณาจักรอิสลามและกษัตริย์ของเขาเนี่ยบูชาบูชาสรรพสิ่งธรรมชาติน่ะ แล้วก็มีปราจากยิวและปราฏจากคริสตและปราฏจากมุสลิมเนี่ยไปเสนอศาสนาให้เขาพิจารณากษัตริย์ อ, องค์นั้นนะ่ะนะเขาก็เลยเลือกศาสนายิวและอาณาจักรของเขาในการเป็นอาณาจักรยิวแต่ที่หลังเนี่ยทางารัสเซียแล้วก็มุสลิมเนี่ยได้ตีอาณาจากักรนี้เนี่ยจนล่มสลายชื่ออาณาจักรอัลคาร์ซ ส่วนมากของอยูที่อยู่ในยุโรปตะวันออกเนี่ยได้อพยพไปอยู่ที่ประเทศยุโรปต่างๆรวมถึงประเทศยุโรปตะวันออกอื่นๆด้วยเช่นโปแลนด์โปแลนด์นี่ได้ได้จุปรรจุยูจํานวนมหาศาลเนี่ยข้อเรียกกันซาฟาร์ดีและก็มีไอค้อเรียกเอชกินาสและก็มีซาฟาร์ดีมันในของตะวันออกอ่นะนะเพราเขาไปตรวจดีเอ็นของอยูที่อยู่ที่ปาเลสไตน์นะ ส่วนมากกันนะเขาบอกว่าส่วนมากของเอสกินาสยูตตะวันตกที่มาจากตะวันตกซึ่งอยู่ที่มาจากตะวันตกส่วนมากกับพวกไซออนิสที่เป็นผู้ก่อตั้งประเทศดิเซนเนส่วนมากดีเของเขาเนี่ยไม่มีร่องรอยห ร, อหรือหลักฐานว่าเขาอยู่ในตระกูลชาวอาหรับและยูที่เป็นลุกพี่ลุกน้อง ก, กันที่เป็นเชื้อชาติเดีิบเขาบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นใครเขาไม่ นี่เป็นผลด้านวิทยาศาสตร์ะอันนี้ไม่พอนะเพราะแค่แค่นี้เนี่ยเขาก็เค่ชูไม่พอที่จะที่จะเช็ดน้ำตาพอไปตรวจดีของปาเลสไตน์เนี่ยเขาบอกว่าดีเอ็นเอของพวกปาเลสไตน์พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในแผ่นดินนี้เนี่ยมาเป็นหลายหลายพันบรรหลายพัน ป, นนปีก็หมายถึงว่าเป็นคนดั้งเดิมอันนี้ก็ก็ เ ป, เป็นดราม่าเลยแต่ที่ชัดเจนนะว่าก่อนที่นบีมูซาจะพาบนรุอิสราเอลจากอียิปไปป า, ลาเลสไตนี่ที่ชัดเจนนะนะมันเคยมีคนอยู่ที่นั่นนักประวัติศาสตร์นี่เขาก็จะเรียกกันบนรุการานในในในในเตวรนี่ก็มีก็มีชื่อนี้ ก น, นันแต่ในประวัติศาสตร์อาหรับนี่ขจเรกกันอล ع م าลิกวะงาลิกะเป็นปะหุพจน์อีกพจน์หนงมันคืออเมลิกอเมลิกนี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนี่ก็คือยักษ์ก็คือมนุษย์ตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่กว่ามนุษย์คนอื่นนะความใหญ่โตไม่ปกติ และนี่คือสาเหตุที่ทําให้ยูเนี่ยพอถูกชวนบรรดุสราอีล่ะถูกชวนจากนบีมูซา่าไปยึดปาเลสไตน์เพรอเป็นแผ่นดินที่อัลลอฮ์ให้เขาไปอยู่เป็นแผ่นดินที่จำเริอนที่อัลลอฮ์ให้ไปอยู่ที่นั่นยูเนี่ยไม่ไปบรรดุสราอีนี่ไม่ยอมไปและในกุรานี่บอกในช่วงอลัลมาอิดา ah นี่บอกเหตุผลของ บรรูอิสราเอลตอนต่อท่านนบีมูซ่ากาววอินน์ในนี้ก็มนจับบารีนในที่นั่นในแผ่นดินบรูกันอานีนะปาเลสไตนี่มันมีกลุ่มชนจับบารีนจับบารีนกลุ่มชนแบบพวกองอาจพวกพวกที่ไม่กลัวใครอะพวกที่น่ากลัวมาก ในประวาสตร์ที่เขามาเขียนใหม่แล้วก็มีภาพการ์ตูนเล่าเนี่ยเวลาเขาเล่าถึงเมื่อบานุการาเนี่ยเขาจะเขาจะวาดรูปนั ก, กรบ ต, ตัวใหญ่ใตัวใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปนะแต่น่าจะเป็นเรื่องที่แบบอ่าเรื่องอะไรคล้ายๆเล่าปีอะไรพวกเนี้ยที่บอกว่าดาบฟันทีหนึ่งเนี่ยตักรอยหัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะไอ้ของไอ้ประมปา ร, ราเนี่ย ของเวเนีก็คงไม่เลวขนาดตะเขาอาจจะเป็นนักรบที่มีประวัติไม่เคยแพ้ก็น่ากลัวแล้วเป็นเรื่องแปลกว่าอาณาจักรฟาโร่เนี่ย <c oughs> เขาไปถึงลิเบียไปถึงสุดานนะนะแต่พอมาถึงชามนี่เนี่ยไม่รุกไม่ได้เลยไม่เคยไปเลยฟาโร่เน่ยซึ่งเขาเป็นเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่แล้วก็มีทหารที่ที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่เคย ไม่เคยลามไปถึงไปถึงชามไปถึงปาเลสไตน์ซีเรียเนี่ยจะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ที่เคยมีอํานาจกว้างขวางพอสมควรนั่นนะนบีมูซาได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้ให้ไปที่นูน่นข้ามทะเลไปที่นูน่นไปที่นู่นแล้วเนี่ยหมดแนละ้วเฟรา้าเนี่จบแล้วนะจมน้ําหมดแล้วนะก็ไม่น่ากลัวละใช่ปะ ป่ะเดี๋ยวเราไปปาเลสไตน์โอ้บรรุอิสราเอลไม่เอาอ่ะไม่ไปอะ่ะเราก็ลังลำบากอยู่ที่นี่พอข้ามข้ามทะเลแล้วไปอยู่ซีนซีนเนี่ยเป็นทะเลทรายไม่มีอะไรเราลำบากจะไปยังไงอ่ะไม่มีอะไรจะกินไม่มีน้ําจะดื่มมอญิสาที่ท่านนาบีมูซาอ่ำนวยเขาให้มีตานา้ําให้มีอันจะกินมากมายมีริสกีมาจากฟากฟ้ามาจากออกมาจากดิน นมีนกมานกมาไม่ต้องต ก, กนันกมันจะมาเองมันจะหล่นมาเองเนี่ให้ให้กินเขาบอกว่ากินผลไม้ดีที่สุดมันเมื่อกี้ผลไม้เ น, มนี่ยมันมันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งเขาเรียกเห็ดหวานสาาธรรมเขาเรีกอัลกัมอะเห็ดนี้เนี่ยมันจะขึ้นในทะเลทายนะตอนนี้เนี่ยกิโลหนึ่งเห็ดเนี่ยที่มันขึ้นในเห็ดหวานนะ ที่มันงอกใต้ดินนะมันขึ้นใต้ดินนะกิโลละห้าพันเรียนเท่าไหร่คูณสิบ่ะนะก็คือห้าหมื่นกินของดีเลยนะและเนื้อสัตว์ของเขาเนี่ยก็คือนกนกอัสลัวซึ่งนกนี่ตอนนี้เนี่ยที่ขายเข า, ขาไปจับนกนี่นกอัสลัวนี่นะจับนี่กิโลหนึ่งหลายหลายร้อยเรียนเหมือนกันนะ ก็กินกินเศือสัตว์อย่างดีกินผลไม้แล้วก็ผักอย่างดีบรรุษเรนิกบนบอาว่าเราอยู่อียินี์กินถั่วกินกระเทียมกินหอมไม่เห็นจะมีเลยตรงนี้เป็นเหตุที่ท่านนบีมูซาร้ตํามนี้เขาตะสับดลูนั่นาบิลลที่เขาเอะไรดีๆแบแลลัษย์ที่เขาขึ่า ถั่วแล้วก็หอมกระเทียมนี่มันก็คือชั้นนิดหนึ่งต่ำไปนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้แกงถั่วนี่กินยากนะเจอแกงถัวที่ไหนเนี่ยโอ้โหอาหารฟ้าอาหารฟ้าฟ้ า, ฟา <c oughs> ได้กินอาหารทุกชนิดเนี่ยได้แต่เวลาอัลลอฮ์ให้อะไรดีๆนะเรายังปฏิเสธเนี่ยมาของอัลลอ์ ไปฏิเศษเนี่ยมากว่าเราถ้าเราให้กินอาหารดีๆมีความสามารถที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อ่กินเนื้อของดีนะกินเนื้อปลาของดีกินผักออร์แกนิกถ้ามีฐานะที่ออ ก, ก็ดีแต่ถ้านึกวันหนึ่งอยากกินปะลา อยา ก, กินบูดูเปรี้ยวปากได้กินแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนหมดเนี่ยเป็นวิถีชีวิตเนี่ยพราอมอาหารนี่ทุกชนิดเนี่ยมันอาหาที่มีประโยชน์อาหารนี่ไม่มีประโยชน์หรืออาจจะเป็นอาหารที่อันตรายลองคิดดูสิถ้ากินส้ตมตำทุกวันวันละสามือ้อชีวิตจะเป็นยังไงไม่มีหรอกแม้กระทั่งคนที่ชอบกินส้ตามตำมันนะ เขาจะไม่กินส้มตำทุกวันสามมือ้อใช่ไหมคนที่กินโดตีกินแกงอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่กินทุกวันทุกวันทุกวันเขาก็ต้องเปลี่ยนเนี่ามาของอนลอนนอเนี่มีมากมายเราก็ต้องเปลี่ยนและพยายามหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์สําหรับร่างกายนั่นคือเนี่ยามาที่ที่ดีที่อันอนอให้มาแต่เขาไม่ชอบเนี่ยแล้วทุกอย่างที่อันอนอให้เนี่ยเขาก็จะบ่น ปฏิเสธไม่ขอบคุณอัลลอ์ไม่ชูโค Allah. ตก่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยแช่งพวกบรรดุราอินเนี่ยให้หลงไปอยู่ในซีนายเนี่ยสบ ป, ปีให้ยุกบุเร่บุเร่เนี่ยขานะใจบุเร่ไหมสจะบุเร่ยุกเร็วๆเนี่ยยุกที่มวัวแต่ปฏิเสธมวัวแต่บน่นมวัวแต่ไม่ไม่เชื่อฟังอัลลอ์และและนบีของของท่านเนี่ยของพระองค์เนี่ย ให้เขานี่ตายไปซะและให้มียุคใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้ไม่ได้เกิดตอนอยู่กับฟิราอนุนตอนอยู่ที่อียิปต์ยุคใหม่เกิดขึ้นยุคนี้เนี่ยถูกนําโดยชายสองคนคนหนึ่งชื่อยูชาบิ น, นุซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านนาบีมูซาและก็นิทัศนะของยูเนี่ยเป็นนบีในิทัศน์อุลมาหลายท่าน ในศาสนานาอิสลามนี่ก็ถือว่าเป็นนบีเหมือนกันรยูชาบินนูนนยได้มีมริกาตที่อัลลอ์ให้กับท่านด้วยยูชาบินนูนนี่แหละที่ได้นำบรรดอิสราเอลเนี่ยไปพิชิตปาเลสไตน์และชนะด้วยจำนวนน้อยมากแล้วก็ลูกหลานของบรรดอิสราเลรุ่นห ล, ลังเนี่ยก็ได้มา ก, ก่อตั้งประเทศของบรรดอิสราเอลที่ใหญ่โต กวางขวางโดยเฉพาะที่มาจากลูกหลานท่านนาบีมูซาและก็ฮารูนและก็สิตระกูลของยิวเนี่ยก็มีรุ่นของท่านนาบีดาวุฒที่มีลูกชายคือนบีสุลมานในอาณาจักรของนบีสองท่านนี้เนี่ยก็เป็นอาณาจักรของยิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีอำนาจมีริสกีมีสิ่งที่อัลละฮ์โปรดประทานให้ยิ่งกว่าที่อัลลอฮ์ให้กับฟิราห์ <تصفيق> الله ن ب أ ونال القرآن ي ا ن و َ ل َ ق َ د ْ بَوَأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ ا ل ص ِّ د ْ ق و َ ر َ ز َ ق ن َ ا ه ُ م مِنَ ا ل ط ّ ي ب َ ا ت ِ فَمَخْتَلَفُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا ف ِ ي ه يَخْتَلِفُونَ د و َ ي ْ ن َ ا ن َ ر و د ه َ ا ي ب ن ي إ س ْ ر َ ا ئ ي ل حَمْنَكَ أَسْعَيْوَنَ ي َ ت َ ا ن َ ت ِ อุลมาตัฟซีร์นยมีสองทศนะทศนะนึงบอกว่าสถ า, านที่อันดีนี่ก็คืออียิปต์และชามชามนี่ก็ไม่มีไม่มีขีแล้วพาว่าบรุอิสราเอลนี่ออกจากอียิปต์เนี่ก็ไปยึดชามทั้งหมดเลยตั้งแต่จอแดนปาเลสไตน์ถึงซีเรียนชามทั้งหมดเนี่ยบรุอิสราเอลไปยึดหมดเลยแต่อียิปต์นี่นะทศ น, น์นี่ที่เขาบอกว่า อบาวัสเินเป็นสถานที่อันดีเนี่ยทัศนาบอกว่าชามแล้วก็อียิปแสดงว่าบนรอิสราเอลเนี่ยไปยึดชามแล้ว ก, ก็กลับไปยึดอียิปซึ่งเป็นอาณาจักรของเิร้าวด้วยทัศนะที่สองนี่ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ให้ไปยึดชามอย่างเดียวแต่อียิปเนี่ยบนรอิสราเอลนี่ไม่เคยเข้ามายึดอันนี้ตามประวัติศาสตร์ และในคุรานี่ไม่ได้บอกไม่ได้ระบุอียิปต์เป็นแหละอักษรนะไม่ได้บอกว่าบรรนุสรีมาย ido, ok, Somehow, ideas ideas. <may> ิดอียิปต์นะแต่มีในสุรั์อุดหานและก็อีกหลายสูราที่บอกว่าอัลลอ์ให้บรรดานสรินเนี่ยคอบครองความโปรดปรานต่างๆที่ฟิลิปในเขยครอบ وكذلك อวรสนาฮ์บันิอิสราเอลล่ารได้ให้ความโปรต์ปรางดันตังอันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของฟิราวนี่นะได้กลายเป็นมรดกของบันุอิสราเอลจากอันนี้เนี่ยที่ทศนะแรกนี่บอกว่าแสดงว่าเขาไปยึดอียแล้วก็ไปยึดทรัพย์สินของฟิราวนหมดแต่นักอธิบายกุตอ่านทัศนะที่สองนี่บอกว่าไม่ใช่เขายึดชามีใช่ แต่ข้อาาที่บอกว่าอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานและก็ทรัพย์สินของฟิราห์นี่กลายเป็นของเป็นมรดกของบรรดุอิสราเอลนี่หมายถึงว่าบรรดุอิสราเอลเนี่ยเขาไปตั้งอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่เมืองชาดและทรัพย์สินที่ฟิราห์นี่เขาเคยครอบครองความโปรดปรานความสําราญที่ฟิราห์นเคยมีนะมันก็กลายเป็นของบรรดุอิสราเอลที่เขามีเหมือนน่ะเหมือนฟิราห์นโดยที่เขาไม่ต้องกันไม่ต้องการจัด เราอะไรเกลี่ยลักษณะนี้อลักษณะที่มีน้ําหนักมากกว่าเพราะทางประวัติศาสตร์นี่ชัดเจนเลยว่าบารุสไอยเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาอยู่ที่อิปคือยิวยิวเนี่ยไปอยู่ที่ปาเลสไตน์ใช่ไหมแล้วก็ดั้งอาณาจากักรแล้วก็ล่มสลายไปรอบหนึ่งแล้วก็มาฟื้นฟูอีกทีหนึ่งและหลังจากนั้นนะ่ะอาณาจักรบาบิลูนเนี่ยก็ได้มาตี อาณาจักรของบอรรอิสราเอลเนี่ยแล้วก็ให้บรรอิสราเอลเชื้อช่างเขทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเชลยศึกพาไปอยู่ที่อยู่ที่อิรักอิรักอิรักและหลังจากนั้นนะอ่ะยูเนี่ยเขกระจายกันไปอยู่ทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งที่จาก อาณาจักรอิสราเอลบรรุอที่ล่มสลายเนี่ยบางส่วนนี้ก็ไปอยู่อียิปต์แต่ไปอยู่แบบนิดๆหน่อยๆอย่ะเขาก็จะไปอยู่กันทั่วโลกเพราะบรรุอิสราเอลเชื่อว่าการที่อาณาจักรเขา้าน่มล่มสลายและเชื้อชาติบรรุอิสราเอลเนี่ยแตกกันไปอยู่ทุกมุมทั่วโลกอันนี้เป็นอาสาเป็นการลงโทษที่อัลลอฮ์กำหนด ให้บรรุอิสราเอลเนี่ยได้รับโทษจากการที่เขาได้ดื้อดึงกับบรรดาอับดุลราะซูลทั้งหลายและบางลัฐที่ของบรรุอิสราเอลนี่ก็ยังเชื่อทุกวันนี้นะว่าการก่อตั้งประเทศในฮายูเนี่ยเ ป, เป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องที่พระเจ้าไม่อนุ ญ, ญ, ญาตให้ทํากลุ่มบรรุอิสราเอลหรื อ, อยที่เข้ามาก่อตั้งประเทศเนี่ยส่วนมากนี่ก็เป็นพวกกลุ่ม ไซยูนิซึ่งส่วนมากเนี่ยของพวกไซยูนิซ์นี่ยเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนเคร่งศาสนาและมีส่วนไม่น้อยนะครับของพวกไซยูนิซ์นี่คือปฏิเสธปฏิเสธศาสนาของยิวนะคือเขาไม่เชื่อในพระเจ้านะแต่เขาเชื่อในในสิทธิของความเป็นยิวอะไรก่อเขาเขาเป็นเป็นคนที่มีชาตินิยมสูงอะแต่เรื่องศาสนานี่ เพราะบาเนี่ยเขาก็หลุดปากเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นเชื้อชาติเขาเขาเป็นมีชาตินิยมใช่ปหะชาตินิยมสูงเขาก็บอกว่าเราเนี่ยไซออนิสต์เป็นจะพูดเราเนี่ยคือพระเจ้าคือประชาชาติที่พระเจ้าทรงเลือกให้มีความประเสริฐมากกว่าคนอื่นสักพักเนี่ยเขาจะเลือกอแต่เราไม่เชื่อในพระเจ้าอยู่อ่ะแต่มันอยู่ในในสายเลือดของเขาเนี่ยว่าเขาเนี่ยคือเชื้อชาติที่ประเสริฐที่สุด มันมาจากความเชื่อด้านศาสนาของเขาซึ่งในอิสลามนี่ก็มีเรื่องที่รองรับเรื่องนี้ในฐานหาที่บรรุเซยในยุคนั้นน่ะก็คือผู้ศรัทธาที่อยู่ในโลกในโลกนั้นในยุคนั้นน่ะเราก็บอกว่าเขาเนี่เป็นประชาชาิที่อัลลอฮ์เลือกให้ดำรงซึ่งหลักการของพระเจา้าแต่พระขาบิดผิวอัลลอฮ์ س ว ح ا และก็สาบแช่งวกาเขาวาระจักรน่าฮุมมินัตยแบต ให้เขามีสถานที่ที่ดีนะแล้วเราได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีมากมายแก่พวกเขาก็คือการที่เขามีอาณาจักรกว้างขวา ง, วางมีริสกีมีอะไรมากมายอาณาจักรที่ท่านนาบีสุลมานเป็นกษัตริย์เป็นผู้นําของบรรดอิสราเอลนะ a l l a ให้ท่านนาบีสุลมานไม่ใช่ไม่ใช่คอบครองแล้วก็ปกครองมนุษย์อย่างเดียวนะปกครองทั้งมนุษย์ และยินไปด้วยและอำนาจของท่านนับีซุเลย์มานถึงขั้นที่เขาไม่ต้องเขาไม่ต้องไปไปยึดประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ยเขาสามารถที่จ ะ, ะแสดงมรดิศาสตร์บางอย่างนี่นะทำให้ผู้นำเมืองนั้น น, นนะก็มาศรัทธา ม, มาสยบอย่างที่เกิดกับราชินีของยิเมนบิลกสหรือบิลกีสที่บูชาดวงอาทิตย์ ท่านนบีสุลัยนแสดงความสามารถของเขาในสุระน้ำหรือสุระสะบ้นนี้ที่ท่านนบีสุลัยนได้บอกกับองค์ครักว่าใครที่จะเอาบัลลังของบิลกิสมาให้ฉันก็มียินระดับไอฟรีตไอฟรีตนี่ก็คือ รับอฟริดกล่าวอิฟรีดตุนจากจินนีฉันด้กบีก่อนที่นจะต้อมาหม่กมมุขตอนี่ท่านจะลุกขึ้นน่ะนะลุกขึ้นขยับลุกขึ้นนี่นะบัลลังก์ของเบลกิเซยอยู่ต่อหน้าท่านท่านนบีสุลัยบัลลังก์ของบิลกิเซย์ถ้าใครตอนนี้ก็ยังมียังมีซากของของมันยังอยู่ที่เยเมนเนี่ยนะมันไม่ใช่บัลลังก์คือเก้าอี้ธรรมดานะ ไม่มันเป็นอาคารอาคารทรงของมันเนี่ยเหมือนเป็นเก้าอี้ตัวใหญ่เลยอะซึ่งเทียบได้กับตึกตึกใหญ่อะตึกประมาณประมาณเจ็ดปดชั้นอะอิเมนนะและสุลัยมานอยู่ไหนอะปาเลสไตน์นะก็ห่างกันประมาณสองสามพันกิโลท่านจะไสุลัยมานก็ไม่เอาช้าไป ق ้าว่าที่ทอย่างนั้นเองนะครับ่นบอกว่าท่นบอกว่าท่นบอ่งท่นบอ่าท่านบนอกวาท่านบอก่าท่านบอกว่าท่านบอกว่าท่านอวานบอกว่ท่านบอกว่าบอกว่นบอ่านบก่นบอ่บอกว่าอ น, ออ น, น, น, อนอขอนนวนอกวท่น่า่นอกว่าทนบอกว่ า, า, านะอก็านบอกานบอกว่านบอก่านอก่นอท่น่ท่านเวนี่าทนกระพท่บวานกระพท่าบอาซึน่งใช้ เ, วเวกว่าเร็อวนกว่าลุนกขึ้ท่านบ่านก่อกนบาทนบก่ท่านบะกว่าท่าบ่าทนีว่า ดยท่านก็หมายถึงว่าลับตาเปิดตานี่ลืมตานี่ก็เห็นละก็หนึ่งวิงนาทีนะซึ่งมันไม่มีหลักฐานชัดเจนในกุรอ่านว่าคนที่สองเนี่ยเป็นมนุษย์แต่มันมีเรื่องราวที่ที่นักประวัติศาสตร์เขารายงานมานะแต่มันไม่มีฮะดีชัดเจนสฮาหนะจากท่านนาบีนะเลยว่าทั้งหมดนี่มันก็เป็นรายงานของคนรุ่นหลังอนะ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากน่าจะมาจากบรรดอิสราเอลก็ได้ทั้งทั้งที่บรรุอิสราเอลเนี่ยส่วนมากในยูเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าท่านนบีสุลมานเป็นนบีนะบองว่าเขาเป็นกษัตริย์เฉยๆแล้วบางลัทธิของยูเนี่ยหรือส่วนมากเนี่ยเขามองมว่านบีสุลมานเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ใช้ไสยศาสตร์และกุฎอานนี้มาปกป้องท่านนบีสุลมานว่าท่านไม่ได้เป็นแบบนั้นท่านไม่เคยใช้ไสยศาสตร์ แต่หลังจากที่อาณาจักรของบรรุเซนีรุ่งนะเขาก็ล่มสลายกระจายไปอยู่ทั่วโลกแต่ในขณะที่เขาไปอยู่กันทุกมุมทั่วโลกเนี่ยเขามีอากีดิดาหลักความเชื่อหนึ่งว่าจะต้องมีนบีในยุคหลังเนี่ยของเขาอะของบรรุอิสราเอลนี่เขาเชื่อแบบนั้นนะ่ะนะ เขาจะรวมตัวบราบนรดุสราอีนเนี่ยแล้วก็มาตั้งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของบนุสราอีคั้งหนึ่งอัลลอฮ์ก็บอกว่าฟามัคตัลดังนั้นพวกเขาจะมิได้แตกแยกกันถึงแม้ว่าอาณาจักรเขาล่มสลายหลังจากที่เขาได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อย่างกว้างขวางเขาไม่เคยแตกแยกกันในเรื่องความเชื่อนี้ ว่าจะต้องมีนบีอันี้อะกีดาเป็นคือทุกลัทธิทุกกลุ่มทุกเขาเชื่อวาตรงวตรงมีฮัตแต่จะอฮุมลอิลมูจนกระทั่งคำพีได้มาอย่างพวกเขาักเรียนเกาหเล่มนี้เนี่ยเขาปแลคํคว่าจะอฮุมูลอิลมูจนกระทั่งคำพีอิลมู่แปลว่าคำพี ของอาจารย์ธิเรชกนี่เขาแปลว่าจนกระทั่งวิทยคุณมาอย่างพวกเขาคำพีก็คือพระดำรักวิทยคุณนี่ก็คือความรู้ความรู้ที่มีคุ ณ, ณธรรมก็หมายถึงว่าความรู้ของปรา ทั้งสองคำแปลนี้ไม่ละเอียดและไม่ตรมที่ถูกต้องตามการอาธิบายของอุลามาส่วนมากเขาบอกว่าฮะแต่จะอฮุมุลอิลมูจนกระทั่งไหลูมาอย่างพวกเขาเขาไม่เคยแตกแยกจนกระทั่งไหลูมาถึงพวกเขาเขาถึงแตกแยกเขาไม่เคยแตกแยกนะจนไหลูมาถึงพวกเขา อะไอย่างเงี้ยเขามด้วยอะไรแบว่าอกลหมูห่เขาเป็นมาลุมอันนีน้ไม่ได้หมายถึงว่าตัวไอล์มูนะในภาษาอาหรับเนี่ยบางทีเนี่ยใช้นามมารูปร่างของนามเนี่ยที่อาจจะไม่เหมือนกันไอลมก็คือนามมาลุมก็คือนามแต่ข้อแตกต่างไอล์มันก็คือทฤษฎีแต่มาลุมนี่ก็คือรู ป, ปธรรมของทฤษฎี ทิสซี่นี่เขาเคยเชื่อว่าจะต้องมีนบียุคสุดท้ายต้องมามาลูมนี่ก็คือรู ป, ปรธรรมของทิสซีเนี่ยปรากฏแล้วเขาไม่เคยแตกแยกกันเลยในเรื่องนี้ว่าจะต้องมีนบียุคสุดท้ายนี่มาจนท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะนี่คือรูปธรรมของทิสซีเนี่ยเขาจึงแตกแยกเอ๊ะใ ช, ไใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ศรัทธา ส่วนหนึ่งที่รู้แลละนี่แหละนี่แหละคือความรู้ความรู้ที่เรามีนะพอเราบอกยาลิฟูนะฮูกะมายาลิฟูนะอับดุลอฮ์มบรรดอิสราอนี่ยรู้ ร, รูปร่างหน้าตาของท่านนาบีมูฮัมมัดเหมือนที่เขาประจารรู้จักรูปร่างหน้าตาของลูกหลานของเขา <c oughs> คนเรานี่มีลูกหลานลูกแท้ๆนี่นะไปอยู่ในโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ หมื่นคนอย่างเงี้ยจะรู้จักลูปไหมจะแยกลูกออกมาได้ไหมนี่อ ah ัลลอฮฺเปลี e ่ยนเทแบบนี้นบีมุฮัมมัดเขามไม่เคยเห็นเลยนะแต่เขารู้ในในเตาร้อนนี่มีลักษณะคุณลักษณะของท่านน บ, บีมุฮัมมัดถึงขนาดที่เขาสามารถจินตนาการคุณลักษณะที่ละเอียดมากแล้วจะรู้หน้าตาของท่านน บ, บีมุฮัมมัดนี่นะเหมือนที่เขารู้หน้าตาของลูกๆของเขาเอง ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่พอเห็นท่านนบีมุฮัมมัดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่เคยมีเนี่คือออลมูแต่ที่เราเจอนี่คือหมาลุ่มก็คือรูปธรรมของไอล์มูเขาก็เลยศรัทธาจึงเกิดความแตกแยกในหมู่บรรดอิสราเอลกลุ่มหนึ่งเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดอีกกลุ่มหนึ่งดื้อแล้วก็ไม่อยอมเชื่อและนี่คือความหมายว่าฮัตตาจะอะฮูมุลไอลมูเขาไม่เคยแตกแยกจนกระทั่งไอลมูมายัางพวกเขา ไอ้โม้เนี่ไม่ได้มายถึงว่าคำพีนะไม่ใช่เพราะไม่อย่างนั้นน่ะคัมภี์ที่อัลลอฮ์ให้มานี่จะเป็นกุศลด้วยตารอดหรืออินยี่นี่นะมันจะสร้างความแตกแยกในหมู่ค้าหน้าผู้ศรัทธาได้ไงความรู้ของคัมภีร์ของพระเจ้านี่จะต้องให้เรานี่มีความตระหนักในความถูกต้องในศัตธรรมจะเกิดขึ้นยุคไหนก็ตามมานะเป็นสัญญาณที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วเราจะเชื่อในในความจริงที่อัลลอฮ์ได้บอกแน่นอน แต่เช่นไหนเลยทำไมอัลลอ์บอกว่าเนี่ยเขาไม่เคยแตกแยกจนกระทั่งอิลมูมาไม่ใช่อิลมิชตัวอิลมูตัวทฤสดีนะไม่คือรูปธรรมของทิสดีเนี่ยพมันปรากฏแล้วอ่ะนะเฮ้ยมีคนที่เขาไม่ยอมอินนัลบบะกะยักดีเบยนัมยอมอลกิยามดีฟีมะคานุฟีฮีย ختلفو ท่านจึงพเจ้าของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขา ในวันเกียรมะในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันกลุ่มหนึ่งยูที่ศรัทธาใ น, ในท่านนาบีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ศรัทธาอลโดยอัลลอ์ตัดสินในวันเกียรมะกลุ่มหนึ่งที่ศรัทธานี่อับดุลลอฮ์อับดุลสลา ม, มเป็นผู้รู้ระดับปรมาจารย์ที่มีความรู้มากที่สุดในหมูย่ยูที่อยู่มาดีนะ เขาม า, าท่านนาบีมาเจอมารับอิสลามนาบีก็เลยเรียกสหายจะได้เป็นสกิพยานนะว่านี่ปราชคนนี่มีความรู้มากยู่ของอยูนี่เขามารับอิสลามอับดุลลาบบินิสลามบอกว่าเดี๋ยวเดียวท่านนาบีผมเสนอนะให้เรียกพวกยูมาพวกยูที่อาศัยอยู่มาดีหน้านี่ทั้งหมดนี่เรียกเขามาแล้วให้ผมนี่แอ บ, บอยู่ข้างหลังนี่จะไม่เขาเห็นแล้วท่านนาบีถามเขา ว่าผมนี่เป็นใครแตมีก็ทําดังนั้นยิกวก็ตอบโบโหนี่เป็นผู้รู้ของเราคนคนที่มีอุดมการณ์ความเข้มขคื อ, อยิวแท้ๆเน่ยของแท้เลยอ่ะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วถ้าเขารับอิสลาเอลเป็นไปไม่ได้เขา เ, เ, เขารู้สัจธรรมรู้ของจริงของไม่จริงเขารู้ ท่านนบีก็เลเรียกอับดุลลาห์มิสซาลามออกมาลกัรับอิสลามประกาศอิสลามนะโดนด้เลยพวกเราไม่เคยเชื่อนี่แล้วก็มีหลายหลายหลายคนในนั้นในยุคนั้นน่ะที่เป็นยิวเนี่ยที่รับอิสลามแต่เป็นจํานวนน้อยที่รับอิสลามประกาศอิสลามเป็นมุสลิมนะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งในสมัยท่านนบีเนี่ยพูดชัดเจนเลวว่า เราเราเนี่ยยิวเนี่ยเราเราเนี่ยรู้กันแก่ใจซึ่งมีปรายิยสองคนที่มีความรู้ใกล้เคียงกับดุล ล, ลา min salam เนี่ยรู้รู้กันใจว่าน้าตาท่านนาบีมุฮัมมัดนี่นก็คือนบีที่เราพบในตะรอนนี่ชัดเจนแต่มันติดขัดอยู่นิดนึงน่ะเนี่ยว่าเขาไม่ใช่บรรุอิสราอีเราไม่สามารถที่จะยินยอมให้มีใครพอเขาปักใจ คือเขาตัฟซีดอธิบายของเขาในคำมีือของเข า, น, า, น, านี่ว่านบีสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นบรรุษไรน์ทั้งนั้นที่อัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้ชี้ขาดชัดเจนว่านบีคนสุดท้ายนี่จะต้องเป็นบนรุษไรน์ยังมีบางหลักฐานบอกด้วยนะว่านบีสุดท้ายเนี่ยจะมาจากภูเขาฟาลอนฟาลอนนี่ก็คือมักกะแต่เขาก็ตีความว่าเขาก็ตีความมเ่ยเรื่องตีความเนี่ยไปเรื่องเป็นเรื่อ ง, ง, งปัญหาทุกทุกยุคทุกสมยัยเลยเรื่องตีความนี่แหละตีความว่า นบีที่มาจากฟารอนนี่นะก็คือก็มาจากบรอุสราอลเหมือนกันเพราะบรอุสราอลนี่ก็กระจายกันไปอยู่ทั่วโลกไงเป็นไปได้ว่ามีบรรุสราอลไปอยู่ที่มักกะเขาก็ตีความว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสกอตต์กับบรรุสกอตต์ก็ได้สำหรับคนที่ศรัทธาบรรุสราอลนี่ศรัทธาในตัวท่านนบีมูฮัมมัดหรือไม่ศรัทธาเนี่ยอัลล์ก็บอกว่าดนวันกิยามานีอัลล์จะเป็นผู้ตัดสิน คำเตือนนี้ควรที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยรีดพิจารณาตัวเองให้เร็วขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันไม่ค่คยมีเวลามากนะักฉะนั้นเราต้องรีบรีบตัดสินใจในเรื่องสัจธรรมและความจริงอ่ะ บางทีเนี่ยเรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันต้องชี้ขาดชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยมันจะได้เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าเราจะมาชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นประเภทพวกสีเทานี่ลังเลไม่อยากให้ใครโกรธตกลงอันนี้ถูกหรือไม่ถูกผมเป็นกลางแล้วกันนะบางผมขอเป็นกลางโดยเฉพาะ อะไรที่มันมีเรื่องสะุ้งสตังนี่นะไม่มีใครอยากมีแผลในเรื่องนี้ทำไมอ่ะคือตัดสินระหว่างสองฝ่ายเนี่ยที่ขัดแย้งกันเรื่องสตดังเรื่องมรอดอกอะไรอ่ะเราเนี่ยในทัศนะของคนหนึ่งคนใดในสองกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นสุนัขอีกฝ่ายเนึ่งจะเห็นเราเป็นฮีโร่อีกฝ่ายเนึ่งจะเห็นเราเป็นสุนัขคือเสียหมาไม่ได้ตัดสินตาม อำเภอใจตามความต้องการของเขาชีวิตของเรานี่บางทีเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องไปประเมินมากว่าเราจะไปะเราไม่ใช่นักการเมืองในเรื่องสัจธรรมเนะี่ยไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองต้องการทุกเสียงไงแต่ไม่ใช่นี่เรื่องศัจธรรมนี่เราเราต้องการพระเจ้าอย่างเดียวถ้าอายะนี้เนี่ยเราซึ่งกับมันนะนะว่าขัดแย้งกันยังไงเดี๋ยววันเกีย ม, มนี่ไปเจออัลลอฮ์ละกัน เรื่องนี้มันน่ากลัวนะไ ม, ไม่ใช่ว่าอ๋อโอเคก็ผมยึดทัศนะของผมแล้วกับวันเกียร์มาเดี๋ยวไปเคลียร์ต่อหน้าตุหันนะี่ไม่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะตอนนี้เนี่ยพูดกันว่าเล่นเลยเอ้ผมผมไม่ยอมนะวันเกียร์มาเดี๋ยวไปเคลียร์กันถึงแม้ว่าท่านมีความเชื่อว่าท่านเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ในทรัพย์สินมีสิทธิ์ในในเรื่องความขัดแย้งนี่นะ ไม่เอาก็ได้เนื่องผมไปไปเอาวนเกลียมะใครบอกเรา ว, วนเกียรมานี่จะถูกตัดสินตามความเชื่อตามทัศนะของตัวเองะมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะเรื่องนี้ยพูดก็ไม่สนุกนะเพราะถ้าหากว่าทุกความขัดแย้งเนี่ยเราจะให้อัลลอฮ์นี่ ม, มาตัดสินเองนะอเลาจะไม่ตัดสินมั่วแต่ะละเอียดเไยแล้วถ้าละเอียดเนี่ยเราจะไหวไหมละ่ะนี่สารโลกดุนยาเนี่ยของมนุษย์นี่นะพิจารณาคดีเนี่ยเป็นสิบปี กว่าจะดีก้าน่ะกว่าจะจบเขาเลยกว่าจะสิ้นสุดใช่ไหมคดีกว่าจะสิ้นสุดสิปีเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็ฟังนี่ไม่พอเน่ยเอานี่มาหักนู่นของคุมาหักนี่ฟังกันไปเรื่อยแล้ววันเกียรมาจะสนุกเหรอข้อพิพาทระหว่างเรากับคนอื่นนี่นะแต่เออไม่ไม่เคลียร์วันเกียรมาคนนี้ก็ไปเคลียร์ไอคนนั่นก็ไปเคลียร์มึงกว่าจะเข้าสวรรค์ยังจะกี่ปีอ่ะกี่ปีนี่ก็ไปนั่งเคลียร์กับคนนู่นนั่งเคลียร์กับคนนี้เนี่ย คำพูดนี้นี่เก็บเก็บปเอียบเหยียบเอยียบพูดเลยขอให้วันเกียรมาหนี่อย่าได้ชักช้าในการเข้าสวรรค์เลยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ผู้ศรัทธาปรารถนาเพราะวันเกียรมาหนี่เราอยากจะขอให้ฉันเข้าสวรรค์เอกจะจบมันมันไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วผู้ศรัทธานี่จะเป็นชาวสวรรค์แล้วอ่ะนะ กลุ่มนึงเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เลยก็คือกลุ่มที่เขาไม่มีข้อพิพาทกับใครเลยไม่มีอะไรบาดหมางไม่มีอะไรอะไรเงนิงนเงินอะไรเงนิงนเงินอะไรที่เก็บไว้แล้วก็ไม่บอกอะไรที่ครืงๆไม่มีเลยพวกนี้นี่เข้าสวรรค์ทันทีแต่อีพวกประเภทนี้เนี่ยประเภทเงินเงินคืนๆเอ๊ะอะไรเนี่ยนะ มันจะมีสะพานไม่ใช่สะพานเิรอสนะอีกสะพานหนึ่งอันนี้ของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะเลยพวกคุณก่อนที่จะเข้าสวรรค์น่ะนะนะต้องเคลียร์กัน้ะเคลียร์กันยังไงอ่ะมัน ม, ม, มันมีสถานะเดียวที่ต้องเคลียร์กันก็คือให้อภัยกันพอเข้าสวรรค์นี่ยังเครืองกันไม่ได้สวรรค์นี่สถานที่แห่งความดีหัวใจที่มีความเครืองนี่เป็นหัวใจที่ไม่ดี เข้าสวรรค์ไม่ได้ ส, สวรรค์ต้องมีแต่คนดีดีล้วนๆนะดีร้อยเปเซียงไงก็ต้องให้อภัยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องต้องยกโทษกันให้อภัยหรือว่าจะไปยืยนต่อนหน้าสะพานเข้าสวรรค์ น, นี่นะกูไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนี่มึงก็อยู่ตรงนี้นะไม่ได้เข้าสวรรค์นนะมันก็มาอยู่นะมันก็ยังไม่เข้าสวรรค์นนะเออกูอยู่อย่างนี้แหละ ชอบไหมล่ะสนุกไหมล่ะแบบนี้ย <c oughs> คํานี้เนี่ยเป็นคําที่ต้องทําให้ผู้สถาย์นี่กลัวไม่ใช่ไม่ใช่สนุกปากเอาไปใช่นี่งนไงอัลลอฮฺตัดสินเนี่ยปเดี๋ยวไปยืนต่อหน้าตุหันน่ยไปตัดสนินใช่บางเรื่องบางอย่างนี่มันเรื่องใหญ่เรื่องอะไรเนี่ยเราเราไม่รู้จะจะได้รับความวายุติธรรมยังไงนะก็เดี๋ยวเอาเคลียร์มากกับไปเคลียร์กันแล้วกับางเรื่องนี่พอได้แต่ไม่ใช่ทุกเรื่องเนี่ยเพราะมันไม่สนุก เพราะเหตุที่คัมภีร์เตวโรและกัเองจีเ น, นี่ยเลาได้เล่าเรื่องราวของบรรดานบีระซุนและประชาชาติของเขาอย่างละเอียดรวมถึงเรื่องที่ Allah มาเล่าให้กับท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งมีเนื้อหาที่คล้ายคึงหรือเหมือนเป๊ะๆ เ, เลยกับเนื้อหาที่อยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ Allah ก็เลยบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดซุลลัลลอฮิวะลัยฮิสแลฮ์ว่า ا ั ك นั้นคุณต้อ ل มีความ م ชื่อในสิ่งที่พาะองค์ตมัสกับเราถ้าคุณัม่เชื่อในสอ่นที่พระองค์ประสานลงมายุณก็จะต้องเชื่อในสิ่งที่เราได้ให้แก่เจ้า ก็กคืงอ่านอ่านอานอ่านอ่านอ่า ي อ่า ر อ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ้ามอ่านอ่านอ่าน่านอ่านอ่อานอ่านอ่าอ่านอ่าอ่าอนอ่านอานอ่าน่านอ่านอ่านอ่านอ่า่านานอานอาออานอิานา่น่านอ่าอ่า่า่นอ่นอ่อามอ่านอาอ่าน่านอ่าานอ่านอ่านอ่อ่ โดยแน่นอนสัจธรรมได้มาอย่างเจ้าจากพระเจ้าของเจ้าดังนั้นเจ้าจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้สงสัยอิหม่ามตับรีได้รายงานจากท่านกตาดาได้รายงานจากท่านนาบีสุลต่านซึ่งเป็นฮะดีษที่อ่อนแอเนื่งจากว่าระหว่างกตาดาเป็นตับบารีถึงท่านนาบีเนี่ยไม่มีสหายบรายงานฮะดีษนี้ และอุลามาส่วนมากนี่ก็บอกว่าเป็นฮะดีษที่ไม่ไม่มีน้ำหนักแต่อิมามตบริเอามาอธิบายอายานี้แล้วก็ให้น้ำหนักกับเนื้อหาของฮะดีษบมดนี้พออายานี้ถูกประทานลงมาเนี่ยถ้านบีบอกว่าละอัชุกุวะละอัสอุข้าบเจ้าไม่สงสัยและข้าบเจ้าจะไม่ถาม อดีตไ์นะต่มามตบรีบอกว่าเ น, านื้อหาในซอฮิยเพราะเราไม่มีรายงานใดๆเลยว่าท่านนบีเคยสงสัยแล้วก็ไปถามบนุอิสราออลไปถามเอ่อไปถามอานุกิตาไปถามปราดอานุกิดาเนี่ยเฮ้ยามาขอมาถามตัวนึตกลงที่อัลลอฮ์ให้ฉันมานี่มันใช่หรือเปล่าไม่เคยปรากฏเลย ซึ่งเรื่องราวชีวประวัติของท่านนาบีนี่มันละเอียดมากสฮาบ้นนี่ก็ได้ติดตามทุกเรื่องเลยไม่เคยปรากฏเลย่าท่านนาบีพอมีพวกคัมพีชาวคัมพีมานาบีก็ไปถามเขาเพื่อให้มายืนยันยืนยันในสิ่งที่ท่านนาบีได้รับมาเป็นกุฎอ่านวะยูจากอัลลอฮฺสุบฮานไม่เคยปรากฏสแสดงว่าเนื eh ha ้อหาของะดีนี่จริงแล้วถาเนื้อหาะดีนี่จริง ทำไมอัลลอ์สุบฮานะหัวตาเราถึงบอกกับท่านนาบีบอกว่าถ้าท่านสงสยัยก็ไปถามอัทธุสกิตต์ต่อนนณีเป็นสำนวนเป็นสำนวนนี่หมายรวมว่าใครใครจะเป็นท่านนาบีมูฮัมมัดหรือคนอื่นก็ตามมีข้อสงสัยในคัมภีร์นี้เนี่ยอย่าได้มีข้อสงสัยเลยเพราะสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดได้นามานี่มันสอดคล้องกับ สิ่งที่ในคัมภีร์ก่อนๆเนี่ยมีและความสอดคล้องเนี่ยมันจะยืนยันว่ามันเป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าองค์เดียวฉะนั้นสำนวนนี้เนี่ยไม่ได้เป็ น, นกลไกในการพิสูจน์สัจธรรมของกุานว่าแต่ใครสงสยัยก็ไปดูได้ในในคัมภีร์ก่อนหน้านี่มีอะไรไม่สหรับอิสลามเนี่ยสําหรับอัคดะอิสลามีานะหลักสัตยทางของอิสลามเนี่ย จะไม่ให้คำพีก่อนเนี่ยมาเป็นตัวพิสูจน์ในความถูกต้องความจริงของงานคุดอานโดยเหตุผลสำคัญเพราะในคุดอ า, านนี่ยืนยันแล้วว่าคำภีก่อนหน้านี้เนี่ยถูกบิดเบือนจึงอยู่ในสถานะที่ต่ากว่าคุดอ า, านแน่นอนแล้วเราจะเอาคำภีรุ่นก่อนที่อยู่ในสถานะที่น่าสงสัยมากกว่านี้มายืนยันในเรื่องง า, านนีมันเป็ น, ป น, ป น, ปนไปไม่ได้แต่มีความเป็นไปได้ ว่เนื้อหาบางส่วนของคำภีมันอาจจะสอดคล้องกับพุทธานจริงๆถ้าเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกันอันนี้เป็นตัวยืยนอย่างเพราะฉะนั้นอุลมาได้แบ่งเนื้อหาในคำภีเตรอร์และเอ็นจีหรือคำพีอื่นๆก็ตามถ้าได้ปรากฏอย่างเช่นคำภีซาบูรบางทัศนาบอกว่าซาบูรนี้ไม่ปรากฏอย่งไม่ปรากฏ แต่ยูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีเตอร์รทุกวันนี้ก็เตอร์นี่ก็จะมีภาคหนึ่งเขาเรียกว่ามาซามีรดาวุฒเป็นเป็นของดาวุฒิแต่ศาสนะส่วนมากโดยเฉพาะในอิสราเอลก็ไม่ใช่มาซามีรดาวุฒเนี่ยมันไม่ได้คัมภีส่วนหนึ่งของเตอร์ร้อมันเป็นคัมปีเอกเทศถ้ามีอะไรที่มันสอดคล้องละ่ะ อลมามะได้บอกว่าเนื้อหาของคัมภีร์ก่อนกับคุตั้นนี่มีสามประเภทหนึ่งสิ่งที่สอดคล้องกันสอดคล้องกันเลยนะอันนี้ศรัทธาได้เลยหมายถึงว่าเธอไปเจอในเตาร้อนในอินจิลอะไรที่สอดคล้องกุตั้นนะนะเชื่อได้เลยไม่มนะีปัญหาแล้วก็มีส่วนที่มันสวนทางอ่ะเช่นในบทหนึ่งของเตาร้อนนี่นะเล่าเรื่องการสร้างของท่านนบีอาดัม อัลลอฮ์ประกาศในบรรดาในหมู่มาลายก้าวว่าจะสร้างนาบีอาดัมอิบลิสไม่พอใจในเตารอบบอกว่าอิบลิสไม่พอใจแล้วก็ไปขอสู้สู้เล่นมวยปั้มกับกับอัลลอฮ์อันนี้แน่นอนคนที่คือคนที่บิดเบือนอะนะคนที่หมายม่มมาแต่งอะนะตอนนั้นนะ่ะ มันต้องดื่มวายปร ะ, ประเภทที่มันมันมันของของเน่าแน่นอนอนะ่ะถึงจะเป็นแบบนี้เนี่ยคือถ้าก็เป็นปราดแล้วก็เป็นนักศาสนาแล้วก็คิดจะบิดเบือนอ่ะนะก็น่าจะบิดเบือนอะไรที่มันเอาอิบลิสนี่มามาเล่นมวยปั้มกับอัลลอฮ์อย่างเงี้ยแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยยูยูก็ยังเชื่อกันมันถึงเห็นเนาะว่าความเชื่ออะไรบางอย่างมันรับไม่ได้เลยไงอันนี้ต้องปฏิเสธเห็นเส้นเชิง ขัดกับพุทธอ่านอย่างชัดเจนในเตอรร์บอกว่าท่านนับีลเลได้ทำดีนากับลูกสาวสองคนไม่ต้องมุสลิมนะใครในโลกนี้นะี่นะศาสดาของเขาเนี่ยหรือศาสดาคนหนึ่งที่เขาเคารพนถือเนี่ยจะยอมรับเด้งไงว่าเขาว่าเขาผิดประเวณีกับลูกสาวอย่างเงี้ยอะไรบางอย่างนี่รับไม่ได้เลย รือว่าท่านนบีสุลมานเล่นไสยศสตอันนี้เรื่องนี้เราต้องปฏิเสธแต่มีบางเรื่องเนื้อหาในคัมภีร์เตวโรและอินจีละนะมันไม่มีในคุรานและฮะดีษที่จัปฏิเสธไม่มีอันนี้ในที่ท่านนบีมฮดษูอนบนีอิสราลละระดีษน้นะดีษ صحيح ท่านนบิบอกว่าเรื่องราวของบรริสรุรีแหละนะเล่าได้เลยไม่ต้องมีข้ออึดอัดใดๆเรื่องที่เล่าได้เลยอ่ะนะแตคือมีสองเรื่องเรื่องที่มันสอดคล้องกับกุรอ้นและก็เรื่องที่ในกุตัานและฮะดีสเนี่ยไม่มีหลักฐานปฏิสิธิ์อันนั้นนะพอเล่าได้แต่เรื่องที่สองเนี่ยที่ไม่มีอะไรยืนยันอ่ะนะห้ามเชื่อห้ามปักใจเชื่อว่าเออเป็นเรื่องจริงหรือต้องไม่ใช่การับฟังอย่างเดียว เล่าได้นะก็เล่าได้รับฟังได้แต่ส่วนที่รับฟังไม่ได้ส่วนที่ต้องปฏิเสธนี่ก็คือเรื่องที่มันขัดกับอันคุรอาอย่างชัดจเพราะฉะนั้นเราจะตีความต้นอายาฟิงกุนตะฟีช ก, กินแต่เจ้าสงสัยก็ไปถามชาวคำพีอันนี้เป็นสำนวนเนี่ยไม่ได้หมายนึว่าถ้าเจ้าจะพิสูจน์ความจริงของคุรอานนี่ก็ไปถามคำพีไม่ใช่ พอในท้ายของอายาเนี่อัลลอฮ์บอกว่าฟาลลตะกูนั่นนะมินัลมุมตัดินเจ้าย่าสงสัยมันก็สอดคล้องกับฮะดีสที่แสายรายงานมันไม่ค่อยแข็งแรงนะข้าพเจ้าไม่สงสัยถ้าข้าพเจ้าจะไม่ถามถ้านบีได้ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ฟาเลตูกนั่นนะมินัลมุมตัดินคืออานนี้ไม่มีข้อสงสัยกบฟคําบีนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยมันก็สอดคล้องแล้วล่ะ อย่าได้มีข้อสงสัยในกุฎอ่านเป็นคําสั่งอัลลอฮ์สั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลเดี๋ยวเสิร์ฟและเป็นคําสั่งสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกุฎอ่านจะต้องไม่มีข้อสงสัยหรือเราจะต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆต่อกุฎอ่านเลยเอา้าจะมีบางอายะเราไม่เข้าใจจะมีบางอายะมันไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์จะมีบางอา ย, ออยาะ อาจจะไม่ตรงกับฮะดีหรือไม่ตรงกับอีกอายาหนึ่งทุกเรื่องที่มันเกิดข้อสงสัยนี่นะมันก็คือเคลื่อนไหวทางความคิดของเราไม่สามารถที่จะเอามาให้มันยืนข้างเคียงกับความเป็นพระดำรัสที่มาจากพระเจ้าซึ่งเราเชื่อแล้วพระเจ้านี่ จะไม่มีความบกพร่องเกิดขึ้นกับพระเจ้าเลยฉะนั้นพระดำรัดของพระองค์นี่ก็จะต้องไม่มีความบกพร่องเลยแต่ความบกพร่องที่มันอาจจะปรากฏนี่เนี่ยมันเกิดจากความบกพร่องของปัญญาของเราที่ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อแท้หรือแก่นแท้ของสัลธรรมของความถูกต้องเราเราที่ยังไม่ยังไม่รู้ฉะนั้นจะเกิดข้อสงสยัย วันหนึ่งวันใดเกิดข้อสงสัยนี่เราจะทำยังไงก็สงสัยไปแต่ให้มองว่านี่คือข้อสงสัยที่เกิดจากความรู้เล็กน้อยความรู้จำกัดส่วนตัวยังไม่ถึงความจริงและจะทำอางตัวพุรธานี้ถูกต้องแน่นอนความสงสัยนี่มันของเราคนเดียวความอ่อนแอของเราอันนี้เน่ยพอได้ แต่อย่าไปล่วงเกินผมว่าแสดงว่าคุณอ่านมีข้อสงสัยนะจะเชื่อร้อยไม่ได้นะอันนี้เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ศรัทธาร้อยเปซในเจ้าของคมภีรอันนี้ต้องมานับหนึ่งนับหนึ่งหมายถึงว่าอะไรอ่ะต้องมาคุยกันก่อนนะเป็นมุสลิมหรือเปล่าคุยกันมานับหนึ่งเลยนะหมายถลงอะไรละให้รอรอก่อนเลยนะแต่ถ้าละให้รอลอ เสร็จแล้วนี่นะเชื่อในคุตตาน่ะเชื่อโดยรวมแล้วนี่สนาธรรมมาจากพระเจ้านี่ไม่มีข้อข้อบกพร่อยึดมั่นในเรื่องนี้เนี่จนตายส่วนกําลังศึกษากําลังอ่านนู่นอ่านนี้เนี่ยแล้วกัมันก็เกิดข้อสงสัยอะไรนี่เกี่ยวกับกุตตานนี่นะไม่เป็นไรศึกษาไปต่อไปดิเพราะชีวิตของเราเนี่ยยังมีอีกนานความรู้ในโลกนี้ก็มีเยอะเนี่ยยังไม่ได้เทียบกับความรู้ของพระเจ้าความรู้ของพระเจ้าเนี่เทียบกับความรู้โอ้โหหนึ่คนระดับกันเลยถ้าเรา เข้าไม่ถึงความรู้ของพระเจ้านี่ก็ไม่เป็นไรบางทีเนี่ยเราเราเป็นนักเรียนนะนะเข้าไปในห้องเรียนครูกำลังสอนอยู่่ครูนี่ยเขาจบเรียนอะไรมาเยอะแยะอ่านหนังสือเยอะแยะไอเรานี่นักเรียนตัวเล็กนี่ยเพิ่งอาจารย์ครูแล้วทำไมมันเป็นอย่างงี้ล่ะนี่แสดงว่าข้อสงสัยที่เรามีเนี่ยแสดงว่าความรู้ของอาจารย์นี่ใช้ไม่ได้เลยเป็นไปได้ความรู้ของอัลลอฮ์นี่มันยิ่งใหญ่กว่าเราเยอะ ฉานั้นเป็นเรื่องที่มันสอดคล้องกับความจริงนะว่าถ้าเราบอกว่าข้อสงสัยนี้ก็เกิดจากที่ความรู้ของเรานี่มันไม่พอเมื่อชีว่าความรู้ของเรานี่แจวแล้วเราจับปิดหน้าได้เห็นไหมเนี่ยกุตั้นนี่ยนนี่ ม, ม, ม, มีจุดบกพร่องนี่ เ, เรากําลังมองว่าความรู้ของเรานี่แจวกว่าความรู้ของเลาสามารถที่จะจับจุดที่เนี่ยแสดงว่ากุตัานเนี่ยไม่สมบูรณ์ไปนับใหม่ต้องไปนับใหม่ เพราะฉะนั้นเวลาคนมามามาเถียงกับเราเรื่องนี่มาดูาอุานนนั้เป็นยังไงนู่นเป็นยังไงเราก็ไปเถียงกับเรื่องนี้เคลียร์ละเออใช่ถูกต้องแล้วกุากอันนี้ลหละแล้วก็เคลียร์อันนี้เออเอออันนี้ลหละจบไหมไม่จบคนเราเนี่บางคนเนี่ยก็กชอบไปนะชอบไปในในโซเชียลนี้ชอบไปเถียงไปอะไร ไลฟ์สดในเถียงดีเบตดีเบตสดเดี๋ยวนี้เสียเวลาถ้าจะคุยกับพี่น้องต่างศาสนิกกันนะคุยเรื่องแรกเรื่องเดียวและไม่ต้องคุยเรื่องอื่นการมีพระเจ้ามีพระเจ้าเลยโลกนี้เนี่ยมีพระเจ้าไหมถ้ามีพระเจ้าที่สร้างโลกจักรวาล น, นี้เนี่ยพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบนี้นพูดอะไรมาเนี่ยต้องถูกต้องหมด ถ้าเขาเชื่อในพระเจ้าอ่ะนะการที่จะเชื่อว่ากุศานนี่มาจากพระเจ้านี่จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายมากเลยง่ายมากฉะนั้นคนที่เขาแม็กเซนกับตัวเองอ่ะหมายถึงว่าพอศึกษาเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยเรื่องเดียวเขาพิสูจน์ในกุอลนี่เนะี่ะทําให้เขาเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วนี่จบนะเรื่องอื่นๆเนี่ยในกุศลที่เขายังไม่ได้ศึกษานะไม่เป็นไรพอเขาพิสูจน์แล้วว่ากุศลนี่ถูกต้องจากเรื่องเดียวนะ ทำให้เขาเนี่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงเหมือนนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาเล่าเรื่องอิสลามของเขาอ่ะ ก, ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นเขาสนิทสนมกับมุสลิมอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะให้อยากจะให้เขาเชื่อว่ามุสลิมเนี่ยพวกนี้ก่อการร้ายก็เลยส่งคุดอ่านความหมายคุดอับภาษาอังกฤษไปเล่มหนึ่ง แ ล, ดดออแล้วก็ชี้จุดนี่ดูดูดิคำพิ้วเข้านี่คอยฆานู่านี่พวกนี่ก่อการร้ายเขาก็มาอ่านกุฎอ่านนะ้วด้วยดิดิดิวดวความสุดจริตนะว่าเออไม่ใช่ว่าจับผิดนะดูดูดูดูเขาเกาอกันไรหรือเปล่าเขาบอ ก, อ ว, ก, กว่าดูอ่านไปอ่านมานี่มันอ่านเขาเขาาเเป็นนักวิทยาศาสตร์ไงจะมาชีอา้อ่านเฉพาะตรงนี้เนี่ยไม่ได้ต้องอ่านหมดดิเขาก็ผ่านอายัเดียว أو لم يرَ الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رطقا ففتقنهما رِن เรื่องในสุรตะลัมบียที่อัลลอฮฺเล่าการเริ่มสร้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกับทฤษฎีบิ๊กแบงพอเขาอ่านอายะนี้เนี่ยเขาทึงเลยทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงอะนะแต่ สำนวนคุณอ่านเนี่ยที่เล่าอ่ะเล่าเล่ า, ลาที่มาของของการสร้างมันไม่ใช่เรื่องเล่าของของคนธรรมดามันมีเนื้อหาอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆทฤษฎีทางฟิสิกและคณิตศาสตร์เขาเข้ า, ขาอิสลามเนี่ยเพราะอายนันี้อายัเดียวนะในหกพันอายันนะ ซึ่งจะมีหลายร้อยอายาที่เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้การ j ิ h า d เนี่ยที่ฝรั่งนี่เขาจะชอบเอาเอามาเล่นแล้วก็เนี่ยมุสลิมนี่ ก, ก็ก่กาได้เขาเล่าเรื่องมว่ารับอิสลามแล้ว <c oughs> แล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าใจแข็งหมายถึงว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่อ่อนไหวกับกับเรื่องหลักฐานเรื่องอะไรที่จะที่จะชี้นําความถูกหรือไม่ถูกมาเขาใจแข็งบอกวาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยอยู่เจ็ดปีนะก็ คือรับอิสลามแบบธรรมดาธรรมดาเป็นคนอังกฤษนะพอหลังจากเจ็ปีเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปทำหัจหร์อุโมร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปยืนต่อหน้ากาบานเนี่ยตั้งแต่เห็นกาบานเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดซึ่งในฐานะที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ใจแข็งอ่ะไม่เคยร้องไห้อ่ะเขากว่าไม่รู้สาเหตุอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยร้องไห้แบบ แต่แน่นอนผู้ศรทธาทุกคนนี่รู้คนเดานี่วเวลาสูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งหายไปจากชีวิตเนี่ยลูกหายเมียหายของหายอย่างเงี้ยหายเป็นสิบสิบปีแต่ก็วันหนึ่งวันดีขึ้นดีเจอสิ่งเหล่านี้ความดีใจของเขานี่มันจะขนาด ฝรั่งนีเยอะนะครับที่เขาพอรับอิสลามแล้วนี่เารู้สึกว่ามันเหมือนอะไรที่เขาหามานานแล้วแล้วก็เพงเจอพวกเราก็มีสิทธินะแม้กระทั่งคนที่รับอิสลามแล้วหรือเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยแล้วก็อ่านคุตตาใ้ลึกซึ้งอ่ะเดีท่านจะต้องพบอะไรในคุรตาที่เคยหามานานแล้วไม่ใช่เรื่องจะทําเรื่องอาคีได้เรไม่ใช่บางเรื่องอะนะเราหามานานแล้ว มันยังไอรืงนี้มันยังไงถ้าเราเจอในคุตตานี่เราจะรู้สึกความรู้สึกสิ่งที่เราได้หามานานแล้วแล้วก็เจออยู่ในคุตตาน ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ละเจ้าอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของอโม่ดังนั้นเจ้าจะอยู่ ในหมู่ผู้ขาดทุนท้าปฏิเสธก่ อ, อนหน้านี้ปฏิเสธว่าอย่าสงสัยอันนี้ปฏิเสธว่าอันนี้สัง่งก่อนหน้านี้นสั่งว่าอย่าสงสัยอันนี้สั่งว่าจงอย่าปฏิเสธมันสแสดงให้เห็นว่าการปฏิเสธเนี่ยมันเริ่มจากการสงสัยเริ่มจากการสงสัยเยาวชนจำนวนไม่น้อยนะครับเป็นมุสลิมแท้มุสลิมแต่เกิดนี่แหละ ชอบไปอ่านหนังสือปัญญาไปดูภาพยนตร์ที่มีปัจญาที่มีที่มีเรื่องเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรพวกนี้นะหรือบางทีก็เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องศาสนาอื่นอะไรอย่างนี้และตัวเองไม่มีฐานเพียงพอของศาสนาของตัวเองที่สามารถตอบโต้สิ่งเหลา่านี้ไปดูแล้วก็บริโภคบริโภ ค, โภคสงสยัย และปล่อยข้อสงสัยเก็บไว้แต่ถึงว่าข้อสงสัยมัไม่ได้เป็นข้อสงสัยส่วนตัวว่าเออฉันกําลังหาต้องหาคําตอบแล้วก็เดี๋ยวก็เจอเพราะฉันเชื่อแล้วว่าคุณอ่านนี่ถูกต้องแล้วศา ส, สนานี้ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ใช่คือข้อสงสัยว่าศา ส, สนานเนี่ยศา ส, สนานอิสลามเนี่ยไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องเก็บไว้มีคําตอบมั้ยอิสลามนี่ไม่มีคําตอบเลยแต่ยังไม่มีทางเลือก ผมจะออกจากศาสนาอิสลาม ห, หนิูวเขาไม่ให้มรุรุนทำยังไงก็เเป็นไปก่อนละหมาดไปก่อนปล่อยข้อสงสัยนี่ปล่อยข้อสงสยั ย, สงสยนี่มันจะนำมาซึ่งข้อสงสัยอื่นๆสะสมไปเรื่อยๆจนสุดท้ายต้องปฏิเสธอย่าประมาทนะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้รู้ที่เชี่ยวชาญด้านอากีเด ด้านหลักศรัทาโดยเฉพาะเลยผมเคยเล่าเรื่องนี้แล้วก็ต้องเล่าเวลาเวลาเออเรื่องนี้ก็ต้องเล่าเรื่องของอุลามาคนนี้ชื่อเชคฮะบดุลลาอัลกัซีมมาจากไหนมาจากกัซีมที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นเมืองที่เป็นแหล่งอุลามาเลยโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่มีผู้รูดด้ดังๆเนี่นายไซมีเนี่ยมาจากกัซีมเลยเชคฮะบดุลลาอัลกัซีม รุ่นใครนะรุ่นอาจารย์ของอิโมไซมีนนะหมายถึงว่าเ้ารุ่นเนี่ยก็เชื่อบิมบาสเลยนะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอากิดานีทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนังสือไม่เคยมีใครเขียนหนักแน่นและเอียดเท่ากับหนังสื อ, อ, อความัุดนลลอร์เขาสิ้นพออายุสามสิบห้าแกลี่พัยไปอยู่อียิปต์แล้วก็ประกาศปฏิเสธศาสนาอย่างสิ้นเชิงเลยปฏิเสธอิสลามเลย และเขียนหนังสือจมตีกุรตาจมตีศาสนาอิสลามีม่เป็นผูู้พูดถึงผู้รู้นะไม่ได้พูดถึงเยาวชนตัวตัวไปนะแต่เขาเนี่ยได้เป็นระดับผู้รู้นี่อายุ3ามสิบ้าเนี่ยเป็นผู้รู้คนดังแล้วนี่ที่ประเทศซาอุดีอาระเ บ, บียวีภัยไปอยู่ที่อียิป์ก่อนนี้เสียชีวิตประมาณห้าปีเนี่ยผมได้เจอผู้รู้จากประเทศสุดานนะ่ะ ไปไหนเขาบอกว่าเนี่ยไปไปหาเชคอับดุลลาอ์อัลกัซีมีตอนนั้นเรายังวัยรุ่นอยู่นะก็กลัวกลัวดไปเจอเขาจะวุ่นนะถ้าพ่นเรื่องข้อสงสัยอะไรแล้วก็ไม่ไปอ่ะ ไ, ไ่อยู่ห่างๆแต่คนนั้ น, นเป็นผู้รู้ไงไปทำไมเราก็ไ ป, ไไปเผื่อเผื่อจะได้เขากลับกลับมาอีกแต่สรุปแล้วเสียชีวิตอายุ95้าสบหปีเนี่ยนะนะ ในสถานะเป็นมุ่นหิดเป็นผู้ปฏิเสธเอาหลอปฏิเสธพระเจ้าจึงอย่าประมาทนะครับอะไรที่เกิดในหัวใจของเรานี่นะเรามีสองทางที่จะสู้หนึ่งสู้ด้วยตัวเองด้วยตะ ก, กะที่ง่ายๆง่ายๆที่สุดนี่นะครับสิ่งที่เราเชื่อมั่นเอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นกําไรสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยทิ้งไปเถอะเพราะมันไม่แน่นอน อันนี้เองอันนี้เราทำอ้ทุกคนทำได้เฮ้ยนี่นี่นะหนึ่พันบาทนะนี่นี่นแกหยิบได้เลยนะหนึ่พบาทนะหรือรอยสักนิดหนึ่งแล้วข้างนอกนี่นะทุกเองไปเจอกล่องใ น, นในกล่องนั่นนะ่ะมีล้านหนึ่งคือถ้าคนไทยนี่เลืิกข้อสองเพอชอบชอบเสียงทยชอบลุ้นชอบคนไทยนี่ชอบลุ้นจริง ชอบซื a, like ้อหวยทำการค้าเองกำไรแท้ๆแต่มันน้อยเนี่ยแต่ทำการค้านั่นชอบลุ Compl ้นแต่คนนี้เขาไม่ไม่ไม่มีเวลาจะุ่นนะนะนะพันหนึ่งชั่วมันเป็นสุภาษิตของอับดุลฮับว่าอัูรุนฟิลียดีไครมนอเตินฟิชะนกตัวหนึ่งคนที่ชอบจับนกกันนะนกไปกินนะนกตัวหนึ่ง ไก่ตัวเดียวนี่ในมือน่ะนะดีกว่าสิบตัวบนต้นไม้ให้ไปจับเอาไอ้ข้อสงสัยเอ้ส s l a ใช่ไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วใครใครมา ก, ก่อนทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องวนๆอยู่นะแต่ที่ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราเชื่อกลังเรากำลังละหมาดอยู่เราก็ยังมีคุอณอ่านอยู่มันมันมีความแน่นอนกว่า ถ้าเราไม่ต้องไปถามผู้รู้ไม่ต้องอะไรเนี่ยเราเนี่ตัดสินใจเองเลยเอาของที่แน่นอนกว่าจบพอพอไม่พอแต่ถ้าใช้แบบนี้เนี่ยโอไม่ไหวฉันต้องแน่นอนต้องชัวร์ต้องอะไรอย่างได้ผู้รู้นี่อ่ะต้องต้องทําเป็นเรื่องเป็นราวแต่ยปล่อยตัวเองนะอย่าปล่อยตัวเอ ง, นะออเองซึ่งข้อสงสัยส่วนมากที่เยาวาชนเจอนะก็คือของดเดิ ม, ดมที่ทําให้สงสัย พูดอ่ า, น, า od, อนนี่มันใช่หรือเปล่านบีมุฮัมมัดใช่หรือเปล่าอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าแล้วใครสร้างอัลลอฮ์เนี่ยของเดิมๆทั้ ง, น, ง, น, งนั้นเนี่ยเจอกันบ่อยนี่ป่านนี้แล้วนะครับคือผมเนี่ยตั้งแต่อายุยี่สิบเนี่ยก็อยู่กับเยาวชนและกับพยายามที่จะมีช่วงชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับเยาวชนที่แบบว่าไม่ได้สอนเยาวชนที่สอนศาสนานะไม่ iterate. อยู่กับเยาวชนแบบเยาวชนที่ไม่มีศาสนาเลย ก็จะฟังเรื่องเดิมๆผมมีข้อสงสัยผมก็ตอนนั้นนะโอ้สนุกกับเรื่องนี้สิเอาไรว่าเล่าเล่ามาผมไมสงสัยคืออัลลอฮ์นี่สร้างเรานี่ผมยอมรับแล้วล่ะแต่ใครสร้างอัลลอฮ์ล่ะคือมีตั้งแต่สมัยนั้นมีมุฮัมมัดด้วนะมีคนมาถามเนีมีมุฮัมมัดเรียบร้อยเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็มีคนคือเชตอันนี่มันเอาของเดิมๆนี่มาหลอกชาวบ้านน่ะเรื่องเดิมๆเร่งเดิม แล้ว่ามจะมีอะไรที่มันเจ๋วแจ๋วมีของเดิมๆถ้ามีอะไรแบบนี้นี่นะและเราสามารถเคลียร์ด้วยตัวเองได้ซึ่งมันง่ายมากสาหรับคนที่จเจอพราะนาดีเนี่ยให้แนวทางในการเคลียร์ข้อสงสัยแบบนี้ในง่ายนิดเดียวใครที่เจอแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์สร้างนี่อัลลอฮ์สร้างนี่และใครสร้างอัลลอฮ์นี่นะให้อ่านกุญฮวนเราอัดจอีกสำนวนหนึ่งใครอัลลอฮ์สร้างนี่และใครสร้างอัลลอฮ์นี่นะ ให้กล่าวว่าอามั่นตูบินละเข้ามาย่อศรัทธาต่อเราเนี่ยคือเรื่องที่มันมีความเชื่อมากกว่าอยู่แล้วเนี่ยเก็บ <Okay, S 1> ไว้ก่อนไอ้อีอย่างอื่นนี่นะมันยังไม่ชัวร์ไงเราต้องการพิสูจน์อยังไงเราเราต้อง ห, หาคนมาตอบให้ในแสดงว่ า, ามันด้อยกว่าทิ้งไปเลยอย่าไปเสียเวลากับมันเนี่ยอย่าได้สงสัยเพราะถ้าสงสัยจะปฏิเสธศรัทธาและจะขาดทุน สำหรับคนที่ได้มีโอกาสศรัทธาแล้วได้เรียนรู้คำพี่พระดำรัสจากอัลลอ์แล้วเรียนแล้วเรียนเล่ารับรู้แล้วหลายหลายรอบหลายครั้งที่มีโอกาสได้พิสูจน์ความจริงจากพระเจ้าแล้วแต่ไม่ยอมศรัทธาอินนัลลัฏิญหักขตอาไลฮิมกัลิมัตุรับบิกะลายูอมินูนแท้จริงบรรดาผู้ที่พระดำรัส ก, การลงโทษของพระเจ้าของเจ้า ได้บัญญัติแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่ศรัทธาหมายถึงว่าที่อัลลอฮ์ได้ตัดสินว่าจะต้องถูกลงโทษเป็นชาวนรกเนี่ยเขาจะไม่ศรัทธาเอา้าก็เขาอยากจะศรัทธาแล้วก็อัลลอฮ์จะไม่ให้เขาศรัทธาได้ไงอ่ะไม่ใช่อัลลอฮ์หมายรวมว่าเขาเนี่ยได้มีโอกาสที่จะรู้จักอัลลอฮ์ที่จะศรัทธาแล้วเขาไม่ศรัทธาแล้วก็นำเสนอไปอีกเนี่ยศรัทธาดีมันมีโอกาสให้ศรัทธาไม่ศรัทธา คนเหล่านี้นี่อัลลอฮฺปิดประตูละไม่เอาละไม่ให้ละ ولو جاءتهم كل آيةٍ นีและแม้ว่าทุกสัญญาณได้มาอย่างพวกเขานี่เพราะไม่มาสัญญาณมาเยอะละและอัลลอฮฺได้พิสูจน์กับตัวเขาเองแล้วนี่ว่ า, วาแค่ไหนก็ไม่ศรัทธาอย่าแค่ไหนก็ไม่ศรัทธากลุ่มชนของบรรดา น, นับียร์ซูลที่เคยท้าทายบรรดาอบีของเขาอะ ไม่เอาะเราจะไม่ศรัทธาจนกว่าจนกว่าจะให้ลงโทษให้เราได้เห็นการลงโทษอย่างเจ็บแสบมาประสบกับตัวเราบรรดาอบีก็บอกว่าอย่าเลยเอาอย่างอื่นดีกว่าก็เอาหม้อซาที่บอกว่าเออพอที่จะพิสูจน์ถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ไม่เอาอะให้ลงโทษเลยจะได้รู้ให้รู้แรงรู้นอดไปเลยเนี่ยใครเจ๋อใครแจ๋กว่าใครองค์ชนสมุดของนบับดอเลเนี๋ย พูดประมาณนี้แหละของกลุ่มชนของอาตพูดประมาณนี้แหละจนอัลลอฮฺสุบฮานาวะดาลได้ส่งเมฆที่มืดทึบเขาก็ดีใจว่าก็ฮาะอาเรดุมมุมติรุนา โอ้นี่เป็นเมฆมืดแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีฝนมากมายนบีระสุดบอกว่าไม่ใช่บัลหัวมัสตาจัลตุมบิฮีรีฮุนฟีฮะอาซาบุนอัลไม่ใช่นี่คืออาซาบการลงโทษที่พวกเจ้าเร่งเหลือเกินนะอยากได้เหลือเกินมาแล้วมาแล้วนบีระสุดบอกว่าฉันไปแล้วไม่เอายังไม่มีเลยอาซาบยังไม่ลงนะเขาน่าเขาน่าจะเชื่อแล้วสิก็ยังไม่เชื่อยิ่งไม่ยิ่งนี่ฝนตกฝนตก เอาอยู่ <Are> <c oughs> <c oughs> โอ้ฉันกำลังบอกว่าน้ำท่วมเนี่เป็นอาสาหรอไม่ใ ช, ใช่อาจจะเป็นอาสา ก, ก็ได้อย่าว่าน้ำท่วมนะทุกเรื่องเลยเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นอาสาเดินถนนสะดุดนี่นะตีความไว้ก่อนว่าอาจจะวาอาจจะลงทษ ก, ก็ได้เฮ้ยตอนที่เงี่ยตะกี้นี่ไปมองอะไรหรือเปล่าแล้วเตือนนะ อยู่ดีๆเนะีน้ำไม่หไหลเียก็อาจจะเป็นการลงโทษก็ได้ไม่เหรว่าน้ำจะท่วมขนาดนี้นะมันมีโอกาสมั้งนั่นนะดินไหวอะไรพวกนี้นาจากทั้งนั้นซนะึ่งเป็นเรื่องที่พูดยากนะแต่พูดกับพี่น้องต่างสาสนาเนี่ก็ยิงแล้วเขาเขาเขาเข า, ขา สม ก, การมันรับไม่ได้พระเจ้าลงโทษอะไรเงี้ยเขาเขารับไม่ได้แต่อย่างน้อยเี่เราก็เตือนผู้ศรัทธาเตือนเตือนมุสลิมเราที่ไปเจอเรื่องน้ำท่วมอนะไเออลองดูซิว่ามีอะไรบุกร่องไหมพเวลาเราจะลงโทษนี่นะไม่ได้คัดเลือกนะจะลงโทษเฉพาะคนเลวนะทนะั น, น, นะน้งที่ านึกองทัพที่จะมาปราบมหดีอัลลอฮ์จะให้มีธรณีสุบแผ่นดินไหวธรณีสุบกลืนกองทัพนี้หมดเลยซึ่ง น, นี่เป็นสัญญาณสำคัญของมหดีนะ ในทัศนะของคนที่เขาเชื่อว่ามีมากดีสาบาน ถ, ถามท่านน บ, บีสุอนอลลสัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฺ่อัลลอฮฺอัลลอฮาาฺ น, น, บบนัอฮฺอัลลกัลลอฮฺอัลลอฮเอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัพลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺออ ซุมมายุบาสู้นาอเลานีอาตีหิมและวันเกีย ม, มาเนี่ก็ค่อยฟื้นคืนชีพตามเจตนารมของกันละคนถ้าคนถูกบังคับมาไม่รู้อินุอินเนนะเอาผ่านคนนี้ไม่ดูวันเกียร์มาไม่ดูลงโทษอาคนนี้เนี่ยเชื่อนะคนนี้ต้องการจะมาปราบมากดีคนนี้ต้องการที่จะมาคัดค้านคนนี้ต้องการฟื้นฟูอิสลามนะถูกลงโทษเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเจตนาของเรานี่ดี แล้วเราถูกบังคับทำอะไรที่ไม่อยากจะทำะนะไม่ต้องกลัวเราถ้าเราตายนะเนียอของเราเนี่ยจะช่วยในวันเกียรมาแต่ขอให้เราเนี่ยมั่นให้ความถูกต้องนสิสิตอยู่ที่หัวใจอย่างหนักแน่นมั่นคงอย่าได้เขวในเรื่องนี้ถูกบังคับจริงๆแล้วไม่รู้จะทำอะไรอะถูกบังคับให้เป็นคำตอบที่ที่เป็นข้อเท็จจริงกับอลัลลอฮ์ในวันเทียมัเราไม่ต้องห่วงนะ เรืงกวก็หัวใจของเราเนี่ยไม่มีใครสามารถครอบครองได้ไม่มีใครสามาร ถ, ขราารถเขาบอกว่าซื้อใจใช่ไหมไม่มีทีเรื่องนี้ประโยคนี้เนี่ยความเท็จเห็นไหมเขาซื้อใจกันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเลือกอีกคนหนึ่งทําไมเพราะอีกคนหนึ่งซื้อใจอันนี้ไม่ใช่อันนี้หัวใจในกลายเป็นสินค้าแล้วนี่ใครใจมากกว่าเดี๋ยวกูก็ให้ให้ให้ ใ, ห ใ, หใจไม่ใช่ หัวใจของเรานี่เป็นของพระเจ้าใครจะซื้อใจไม่ได้ซื้อใจให้ปฏิเสธพระเจ้าซื้อใจนี่ให้ฝ่าฝืนพระเจ้านี่เราอาจจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์โดยอวัยวะแต่หัวใจของเรานี่ไม่เห็นด้วยไม่เอาถูกบังคับไปนะ่ะมีความเป็นไปได้อัลลอฮ์เชื่อเราถูกบังคับแต่ใจเรานี่ไม่เอาอัลลอฮ์เชื่อแต่เรารู้นะ่ว่าหัวใจนี่เป็นยังไงจริงเราต้องต้องให้มันมั่นคงในหัวใจของเราจริงๆเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะเปิดโอกาสบา่อยครั้งให้ทุกคนเนี่ย ได้รู้องค์การของพระเจ้าถ้าตกติกลังเ ล, นะ ล, ลแล้วอะนะเอาล็อปิดเลยประทับหัวจะไม่ให้ละไม่ให้และเพราะฉะนั้นโอกาสที่เอา ล, ล็อจะให้นี่นะมันจะมีบ่อยครั้งถึงแม้ว่าจะปฏิเสธกันอย่างรุนแรงเลยเหมือนกลุ่มชนในบิยูนุสคือไม่ได้ปฏิเสธคนสองคนและนบิยูนุส ไม่พอใจก็เลยไปแล้วไม่เอาละไม่กลุ่มชนของท่านน บ, บิยุนุสเนี่ยหนึ่งแสนคนนะในยุคนั้นน่ะ น, นะในเมืองนีนวานี่ ท, ที่บอกเขามาอยู่ที่อิรักนะต้องต้องต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้ให้หมดเพราะเรื่องเรื่องท่านน บ, บิยุนุสนี่การที่การที่มีสรหสาาลลนึ่งซาฮาบะแล้วเนบีตัง้งสูร้อชื่อยุนุสโดยเฉพาะ แต่ม no ah ีเรื na, ah, thôi, are are ่องที world, ่พูดถึงท่านนบีอูบยุสเพียงอายะเดียวอายะเนี่ย98อายะเดียวอ่าเดี๋ยวถ้ามีอายะถ้าไม่มีอายะน่ถ้าไม่มีความตายมาอย่างพวกเรานะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้านี้ก็ค่อยเล่าเรื่องท่านนบีอิยุสนะครับซุลลัลลอฮฺอัลลอฮฺนะพี่มดุนะอะักย่ามีคำถามไหมครับพ่อแม่ตีลูก หรือใช้ความรุนแรงกับลูกได้ไหมครัแล้วก็คริสที่ว่าให้แฝงไม ไ, มไม่ได้บ้านนวไม่ด้บ้านะหแไม้ได้แต่ตีไม่ได้ตีไม่ได้ถ้าจะตีล่ะที่มันเดียวว่าละหมาดให้ตีพอได้ไม่ชนะสาม ตีได้ตีแบบนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยโดยข้านิ้วมาเขาไม่ได้กว่าตีหรอกหรือเอาไม้มาแขวนอย่างเงี้ยก็แค่แค่ขู่ยันเดียวเราจมาจีตีใช้ความรุนแรงกับเด็กเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะเด็กเนี่ยไม่มีสติเพียงพอที่จะเข้าใจจะเข้าใจเล่นลงโทษนิดเดียวเนี่ยเขาเข้าใจละ ว, ว่าอันนี้ไม่ดีถ้าตีเขานิดหน่อยนี่ก็เข้าใจได้มันเมื่อต้องตีให้เขียวให้แดงใ ห, ให้เลือดไหลจะได้เข้าใจไม่ใช่พอถ้าตีแรงอะนะ ความเข้าใจที่มันจะเพิ่มมาเนี่ยก็คือความเปลียดชังความไม่พอใจซึ่งมันจะสะสมตลอดชีวิตมันไม่ดีจะตีลูกจะตีเมียก็เหมือนกันแหละมันก็เหมือนกันตีแรงไม่ได้นะบางรายงานไฮบางรายงานเนี่ยก็อไม่คอยตีไม่คอยนิมสิวะกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปากกาละไม่คอยสิวะกันนะ ตีแค่นี้ไม่ใช่ตีเข้า ICU ียนั่นบางคนตีอักตายเลยอิชมาอ์ได้สองแบบเอาอะไรมาขังอิชมาอ์เป็นวิธีวิธีอ่านดัมมะเนี่ตัวดัมดัมมาในคุตอาเช่นอายะที่มีที่ดังในสุดในฮับสนี่นะ กอรูยาอาวาณามะละกาลาตะมคือที่จริงเนี่ยคำเนี้ยมันจะมีสองนูนมาละกาลาตะมันนาแต่พอมันผสมกันนะนะมันก็กลายเป็นนูนตัวเดียวเอจะให้คนได้รู้ว่ามันที่จริงน่ยมันก็ให้ชี้ถึงปากว่ามันมีตัวตอมมาอยู่ด้วยกอลูยาอาวาณามะละกาลาตะมณะมันไม่มีสองนูนแต่มันมีปากมันมันชี้ แ ต, แต่มีอีกอักอกอนนึงเนี่ยอิสมามเนี่ยก็คือให้อ่านค่อยๆเร็วๆอลูยาอบานามาลิกลาตะมันนา่าะลาเนวมันดันสรุปคือมันมันดนภาษาด้านภาษาว่าให้รู้ว่าที่ไปที่มามันเป็นอย่างนี้อ่มันเหมือน نحفظت كم يمدنا؟ قالوا <سؤال> بسم الله م ج ر ه ه ا ومرسها. تماي عن مجرىها؟ تماي مشي مجرىها؟ كهيروني ودم هني مج ر ا ن ي م ا ي أ بنالفنا م ن ق ر أ بنالف. น ن ي ا مقصورة. سنجا مقصورة هني ماي เหมือน ألف. و أ ج ي م يا مقصورة ه ي سرنا دان دم هون هني كيا าให้มีผสมระหว่างอลีฟก็ยาให้เป็นมาเดเร่มาเดเร่มูเซมูซาในเวลาเขียนนีไม่ได้เขียนมูซีนอลีฟนะมันเขียนมีวาซีนแล้วก็ยาเาเรียกยามักซุรนี่ยเป็นยาอลลีฟเวลาอ่านมูเซในบงคุรานก็อ่านมูเซไม่ใช่มูซาให้รู้ว่ามันคือมันคือยามักซรไม่ใช่อลฟ ท่าสุนนะท่าสุนนะท่าสุนนะท่าสุนนะท่านอกท่านก็บอกการเรียงเนี่ยก็ท่านาที่บอกว่ายูมานี่แทนดูรีน่ะนะเขาก็เอาสุนนะของดูรีนี่มาใส่กับยูมาห์ก่อนยูมานี่ก็มีสุนนะของดูรีหลังยูมาห์ก็มีสุนนะเหมือนหลังดูรีนี่หละแต่ท่านหนึ่งที่บอกว่า ก่อนไม่มีแล้วตอนหลังนี่มีมีสองหรือสี่เนี่ยอันนี้เขาก็มีหลักฐานระวันศุกร์นั่นน บ, บีรำแต่เขาไม่ได้เขาว่าไม่ได้บัทึกความว่ที่ท่านนบีละหมาดวันศุกร์แล้วแต่ละหมาดสองหรือสี่เนี่ยมันคือสุนนะของดูรี่เพราะในหะดีซก็ไม่ได้บอกที่เขาบอกว่าให้ละหมาดหลังหลังวันศุกร์สองหรือสี่อย่างเดียวถ้าละหมาดที่มสัสยิดนี่ก็ละหมาดสี่ถ้าละหมาดที่บ้านก็ละหมาดสองันนี้วันศุกร์นะสุน น, นะ แต่ก่อนยุมาห์นี้ไม่มีพาะในฮ ادي ซีก็ไม่ได้บอกว่าท่านนบีละมานี่มันอะไรแต่เขาบอกว่าวันศุกร์นี้ไม่มีหลักฐานว่าท่านนบีละมานก่อนวันศุกร์มีละมารุณนะใดๆแต่สาหรับศาสนาโน้นเ่ยเขาไม่เอาหลักฐานอะไรพวกนี้นะเขาบอกว่าจุมาห์แทนดูรี .Channel สุนนะของดูรีก็คือสุนนะของวันศุกร์อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลฮฺอัลลอฮฺอัลอัลฮฺอัลลอัลลฮัฮฺอัอัลลออัลลฮฺอัลลัลลอฮฺ